3. โจทกัสสัคอตตชาปณนะว่าด้วยการเผาตนของภิกษุผู้เป็นโจ์โจดเป็นผู้มักโกรธมักถือโกรธดุร้ายมักกล่าวบริภาทย่อมปลูกอนาบัติว่าเป็นอาบัติโจดเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจดกระซิบใกล้หูคอยจับผิดทำให้บกพร่อง เสพทางผิดย่อมปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัตโจดเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจ์โ จ, โจ์โดยการอันไม่ควรโจ์โดยคำไม่จริงโจโดด้วยคำหยาบโจ์โด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์มุ่งร้ายโจย์ไม่มีเมตตาจิตโจดปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัต โจรเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโ จ, โจรไม่รู้ธรรมและอาธรรมไม่ฉลาดในธรรมและอาธรรมปลูกอน า, าบัตว่าเป็นอาบัตโจรเช uh, ่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจรไม่รู้วินัยและมิใช่วินยัยไม่ฉลาดในวินัยและมิใช่วินัย ปลูกอนาบัตว่าอาบัตโจ์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจ์ไม่รู้สิ่งที่พระตถาคตพาสิทธไว้และมิได้พาสิทธไว้ไม่ฉลาดในสิ่งที่พระตถาคตพาสิทธไว้และมิได้พาสิทธไว้ปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัตโจ์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจด ไม่รู้สิ่งที่พระตถาคตทรงประพฤติมาและมิได้ทรงประพฤติมาไม่ฉล oui าดในสิ่งที่พระตถาคตทรงประพฤติมาและมิได้ทรงประพฤติมาปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัติโจดเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจดไม่รู้สิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติไวและมิได้ทรงบัญญัติไว ไม่ฉลาดในสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว้และมิได้ทรงบัญญัติไว้ปลูกอนาบัติว่าเป็นอาบัติโจรเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจรไม่รู้อาบัตและอนาบัติไม่ฉลาดในอาบัตและอนาบัติปลูกอนาบัติว่าเป็นอาบัติโจรกันเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน โจทย์ไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนักไม่ฉลาดในอาบัตเบาและอาบัตหนักปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัตโจทย์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจทย์ไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือไม่ฉลาดในอาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ ปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัตโจดเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจ์ไม่รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบไม่ฉลาดในอาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัตโจดเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจด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 ย่อมเผาตนแลโจทนากันจบหัวข้อประจำกันการโจดภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรเป็นเบื้องต้นมีมูลอุโบสถคติเป็นคำสั่งสอนที่คงอยู่ในโจทนากัน